สิกขาบทที่9ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้เรียนดิรัชานวิชานที่ไหนตอบทรงบัญญตัตนากรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุณีฉับพักขีถาม เพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุณีฉับพักขีเรียนดิรัชานวิชาในสิกขาบทที่9นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นปะทะโสธรรมะสมุดฐานละ